เขาหาดื่มน้ำมะพรา้าวคลอคล้าสายลมเรื่องที่คงคงเรื่องที่คงคงเพื่องลมพัด จ, จางไม่ใช่พี่พัดร้อนเพราะนอนอยู่บ้านมันเศร้าอาจตายได้เพราะเงาคนเราอย่าเอาว่าแน่นอนใจยังรุ่มร้อนเมื่อต่อ้าไป กลับเมื่อไรวันไหนหัวใจมันต้องดีโอ้สายลมเหยาวยอะไปไม้ตามชายฟังเพื่อนัดดังล้อเล่นกับสายใจมันเซยังจบอยู่ที่เงานั่งไปเ้า เลไม่ช่วยอะไรแดดใายตะวันร้อนลอกรลอนหัวใจไม่ได้กระโดดลงน้ำใสปรับใจให้เข้ากับน้ำเย็นคนโนนลงน้ำไหลตามจุดยืนยอกกับคุณนที่ซัดที่เสีเขาหาศาย กระโดดลงน้ำใสปรับใจให้เข้ากับน้ำเย็นคนโง่ลงน้ำไหลตามจุดยืนยอกกับคพื่นที่ซัดที่เซเขาหาสาย สดีครับท่นผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรามาพูดมาคุยกันในในช่วงนี้นี่มีข่าวสารสาระน่ารู้นะครับที่จะมาพูดมาม า, มาคุยกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็คงติดติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการยกร่างกฎหมายลูก นะครับตามรัฐมนูญนะครับนะ่ะการทำหน้าที่ของสอนชอของสอปทนะกรทนะครับนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปตามรดแมปจากการเปิดเผยของนายวิษณุเครืองามรองนายกงตรีก็บอกว่าตอนนี้มีสมาชิกของสอปทสภานะขับเคลื่อนนะประเทศเนี่นะครับนะเพื่อเข้าพบนะครับเนะข้าหาลือว่ากำลังที่จะมีการติดตามกฎหมาย หลากหลายนะครับอย่างเช่นกฎหมายผังเมืองนะครับนะกฎหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาช น, นะ ร, ระเบียบปฏิบัติเกีย่ยวกับเรื่องระบบดิจิตอลในทางราชการแล้ก็เรื่องมาตรฐานคุณธรรมความประพฤติของข้าราชการนะซึ่งสมาชิกสปทเสนอให้แบ่งเรื่องเนี่ยเป็นออกเป็นระเบียบออกเป็นกฎหมายนะซึ่ง ทุกเรื่องที่สปทเสนอในรอง น, นายยตีบอกจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยปซึ่งจะประชุมกันในวันที่2ีสเมษายนนี้นะครับส่วนที่มีในส่วนของสื่อติงเกี่ยวกับเรื่องของการที่พบรเราทักมานั่งในกรรมการ ยุทธศาสตร์นะของชาติดีก็รองนายยงตีก็บอกว่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ก็อยู่ในตําแหน่งสวโดยมาจากการแต่งตั้งโดยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะก็จะดูแลงานความมั่นคงก็น่าจะมานั่งอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพรบการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ร่างพรบแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศประชุมกันไว้ที่20เมษายนนี้นะครับนะซึ่งก็จะต้องติดตามนะครับนะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของกฎตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับนะที่จะมีการปฏิรูปส่วนทางด้านสนชนะครับนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานแบบสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็กล่าวว่า ทางสอสอชอจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองนะครับแล้วก็ร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรอ ก, อกตนะครับซึ่งก็จะมีการเชิญจากตัวแทนจากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีกอ ก, อกตสปทนะครับแล้วก็คนนอกเข้ามาดูนะครับว่าว่าจะ พิจารณากันอย่างไรนะครับนะมีการปรับแก้ไขอะไรต่างต่นะางก็ต้องผ่านสนชถึงจะประกาศเป็นเป็นกฎหมายได้นะครับแนตะ่โดยเฉพากฎหมายาว่าโดยกรกตเลยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของสอสสวเนี่ก็เป็นกฎหมายสําคัญละครับที่จะนําไปสู่การการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็ต้องก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งก็จะต้องเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาพูดมามามาคุยกันนะว่าจะทําอย่างไร ส่วนที่ <Yeah. S 1> กกตมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรม น, นูญนะครับซึ่งกกตมีการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จ ะ, อะเอาตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆมาระดมสมองมาพูดคุยว่าจะปฏิรูปตัวเองอย่างไรซึ่งก็มีนายอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นประธานนะแล้วก็จะมี ตัวแทนจากพรรคใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชั ย, ชยจากพรรคเพื่อไทยนาะยชำนิศักเศร ษ, ษ, ษก็จากประชาธิปัตย์นายนิกรจำนงนะเป็นสมาชิกสปทนาะยอนุทินชาญวีรกุลนะมาจากพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะมาร่วมประชุมนะครับแล้วก็ตัวแทนซึ่งนะพรรคการเมืองนี่กนะ็ตอนนี้นี่ก็พยายามว่าจะปรับปุงอย่างไรเพื่อให้เข้มแข็ง แล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนมีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันนะครับว่าว่าจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคการการเมืองอยังกังวลนะที่ในส่วนของกฎหมายร่างกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้มีการเก็บค่าสมาชิกคื อ, คอชาวบ้านประชาชนจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็จะต้องมีการเก็บนะครับหัวละร้อยบาทต่อปีอซึ่งก็บอกว่า อาจจะทําจจใช้กับวัฒนธรรมไทยไม่ได้นะฮะเพราะานั้นอาจจะจะทำให้คนไม่มีเงินที่จะมาเสียสมัครก็ต้องรับฟังความเห็นจากหลากหลายส่วนนะครับนะว่าจะว่าจะยังไงจะปรับปรุงกันกันหรือไม่นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายเกยี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองซึ่งในส่วนของสอสอชอเนี่ยนะครับก็กําลังพิจารณาอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกนะ องรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยจะว่าด้วยพรรคการเมืองว่าด้วยสอสอ ส, อสอว่นะครับว่าด้วยกรกตถ้าเสร็จเมื่อไหลายผ่านออกมาก็พร้อมที่จะมีการาจัดการเลือกตั้งซึ่งหลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าจจะเป็นกลางปีหน้านะครเป็นเป็นอย่างไวแล้วครับนะประมาณเดือนอกรกฎ า, าคมสิงหาคมอะไรต่างๆนะซึ่งก็ต้องดูว่าจะเป็นขั้นเป็นตอนต้องติดตามกันต่อครับเราฟังเพลงก่อนสักเพลก่อนจะมาพูดคุยกัน คนเดียวนทางยาวไกลคนทางยาวไก ล, ไกลเก้าไปคนเดียวโลกนี้มันสับสน ปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินย้อนมองกันบางไหมเหนื่อยลากันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณน้ำตาไหลออกมาบางครั้งหัวใจสะอื้น ขอเพียงหนึ่งดีคือใจของเธอเพียงเพื่อปรอบโยนคนที่เดียวดาย แยกปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินย้อนมองกันบางไม้เหนื่อยลากันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณน้ำตาไหลออกมาบางครั้งหัวใจสะอืน สุดฟื้นสะอื่นคนเดียวขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวดาย มาพูดมาคุยกันต่อนะครับถึงในช่วงนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะการท่องเที่ยวของเรานี่พัฒนากันไปไปมากแล้วเดียวเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อจะนํารายได้เข้าสู่ประเทศนะครับนะมีการจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดนะครับนะซึ่งก็กระแสตอบรับนี่ก็ดีนะครับในภาคอีสานนี่จะยกระดับจังหวัดเด่นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีลำนะครับนะโคราชนะครั บ, บนุรบุหรือว่าในส่วนของอุดรขอนแก่นอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬานะครับกระตุ้นกิจกรรมมินิมาราทอนบ้างนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องอาการแข่งขันฟุตบอล น, นะครับรถแข่งอนะต่างๆก็มีการเริ่มที่จะมีการกระตุ้ น, น, นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการเชื่อมโยงกันโดยทางาขนส่งนะการเชื่อมโยงทาง เครื่องบินรถไฟนะครับนะรถทัวร์รถต่างๆนี้ก็ยังก็ยังต้องปรับปรุงอีกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจากการเปิดเผยของนางกอบการวัฒนาวังกูรนัมตีท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่าจากการที่เวิร์นอีคโนมิคฟอรั่มนะครับซึ่งเป็นฮาเวทีประชามประชุมระดับโลกทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยจัดขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจาปี 2,060 ก็ปรากฏว่าหมวดการขนส่งทางบกและท่าเรือเนี่ยไทยเรายังมีคะแนนอยู่ประมาณ 3.1 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเอของอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉิงใต้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 แล้วก็เป็นอ่าเป็นรองคู่แข่งชั้นนำอย่างสิงคโปร์ซึ่งได้อันดับหนึ่งได้คะแนน6นะครับนะ6คะแนนแล้วก็มีมาเลเซียนะก็ได้ 4.4 ่คะแนนซึ่ง ไทยเต้องเร่งพัฒนาโ ค, โครงสร้างพื้นฐานนะทางคมนาคมโดยเฉพา ะ, ะเส้นทางรถไฟนะครับในระบบรางเชื่อมโยงภูมิภาคนะครับซึ่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือนะครับสิงคโปร์นี่ก็เชี่ยวชาญมากนะครับนะก็ต้องพัฒนานะักท่องเที่ยวก็จะได้มาเที่ยวมากขึ้นนะแล้วก็จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันนะในหลายๆเส้นทาง <c oughs> ซึ่งจะต้องประสานกับกระทรวงคมนาคมแนะครับนะ แล้วก็ในส่วนของประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าการผสานาทางด้านคมนาคมเนี่ยก็มีคาดการว่าในช่วง10ปีนี้จะข้างหน้าเนี่ยจะมีคนมาเที่ยวเราประมาณ60ล้านนะซึ่งโตหนึ่งเท่าตัวจากปัจจุบันก็จะต้องมีการาพัฒนาระบบการาขนส่งเส้นทางคมนาคมตัด ถ, ถ, ถ, ถนนหนทางให้ได้มาตรฐานไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่า ง, างๆ ระบบรางนี่ก็สําคัญแหะครับก็คือระบบรางก็คือรถไฟแหะครับเนะี่ยทั้งรถไฟรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงนี่นะครับนะต่างประเทศนี่ก็ไปไปไกลและพัฒนาไปไกลแล้วนะครับท่านที่ไปเดินทางไปอ่าแถวสิงคโปร์แถวมาเลเซียนี่ก็จะเห็นว่า อ, อทั้งระบบเส้นทางนะครับรถไฟรางคู่ก็ดีหรือว่าอ่าสภาพของตัวตัวถังของรถไฟเนี่เขา ทันสมัยหมดแล้วนะครับเหมือนยุโรปแล้วนะก็ยังมีแต่รถไฟไทยเราซึ่งก็ยังก็ยังเก่าอยู่นะฮะจะต้องมีการปรับปรุงนะมีการรื้อปรับนะอาจจะต้องอัดโลกรถไฟที่เก่าๆดีไปให้หประเทศอื่นนะแล้วก็หาซื้อรถไฟใหม่นะครับนะที่สภาพที่ดีนะครับนะแล้วก็เหมือนกับในยุโรปนะครับถ้าท่านที่ไปเที่ยวแถวญี่ปุ่นหรือแถวสิงคโปร์บเรเตนอะไต่างๆก็จะจะเห็นนะสภาพรถไฟ แบ บ, แบบใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะมาเล่เเนเกี่ยวกับเรื่องของการวางโครงข่า ย, นะาย อ, อินเทอร์เน็ตนะประชารัฐเนี่ยให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 เนี่เกี่ยวกับเรื่องของการวางโครงข่ายดิจิตอลนะโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะจะต้องครอบคลุมไปในทุกหมู่บ้านนะถ้าเราจะให้ในส่วนของเกษตรกรนะชาวไร่ชาวนานเนี่ยมีการ จําหน่ายสินค้าทางทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีการาโฆษณามีการาทำอ e ีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอื่นๆนกระทรวงเกษตรกาลังเล่นกันอยู่นี่ที่สําคัญก็จะต้องมีการวางสายวางโครงข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับนะของไวไฟให้ให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้านนะครับซึ่ง ในส่วนนายงตีมาประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งก็มีการเสนอบอกว่าจะต้องมีการใช้งบในการที่จะวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเนะี่ยความเร็วสูงให้ครอบคลุมเนี่ยนะครับประมาณหมื่นห้าพันล้านนะเขาบอกว่างานนะครับเสนอโดยกระทรวงดิจนะิทัลเนี่ยนะครับนะแล้วก็โดยจะให้ครอบคลุม หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 24,700 หมู่บ้านซึ่งโดยที่ทางกระทรวงนี่ก็จะมอบหมายให้บริษัท T.O.T. อทีะ OT, นะครับจำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งตอนนี้นี่ก็โอนงวดแรกไปให้กับ T.O.T. อ, ะอะ OT, นะครับนะบริษัท T.O.T. แล้วประมาณ 3,700 ล้านบาทนะครับก็กำลังจะจัดหาอุปกรณ์เพื่อมาติดตั้งอินเทอร์นเน็ตประชารัต นะซึ่งก็ต้องให้ครอบคุมนะครับนะ ใ, นในทุกหมู่บ้านภายในกลางปี 2,561 นะเพือปีหน้านี้ก็ต้องครอบคุมให้ได้หมดก็ต้องติดตามดูนะครับนะก็คงจะต้องเร่งกันกันนิดหน่อยนะครับนะเพราะาตอนนี้นี่เราก็จะเห็นว่าการติดต่อนะครับทางด้านอินเทอร์เน็ตนยังครอบคุมไม่ถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ในตัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ใ น, ใ น, ในส่วนของ กระทรวงนะครับนะกระทรวงดิจิตัลนี่คงจะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับเรื่องอของการใช้แอปพลิเคชันอื่นนะครับอย่างเช่นไลน์บ้างนะครับเนะือว่าในส่วนของ Facebook หรือในส่วนของอื่นๆนะครับแนตะ่เพราะที่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ในชาวบ้านเขาก็จะใชะ้ผ่านทางมือถือกันเป็นเป็นหลักนะครับแตนะ่เพราะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องมีการปรับซึ่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะครอบคุมนี่ก็จะ ที่กระทรวงบอกเนี่ก็บอกจะรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราพยายามที่จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทอนของอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องคาดการก็ต้องรอดูแหละครับนะนะว่าจะจะเป็นไปได้มากมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการของตัวแทนบริษัทมือถือต่างๆนี้ชาวบ้านก็ยังบ่นกันอยู่นะครับเพราะว่าสัญญาณยังยังไม่ครอบคลุม นะครับยังไม่ครอบคุมยังไม่ทั่วถึงนะครับ mm hmm. ก็เพราะนั้นนี่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้นะครับแต่ก็ยังไม่ครอบคุมเพราะฉะนั้นจะปรับปรุงกันอย่างไรก็เป็นเรื่องของของดัฐของกระซูงนะครับที่จะต้องดูนอกจากนี้ยังมีการจะทำเกี่ยวกับเรื่องของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรือว่าดิจิตอลพาร์คไทยแลนด์นะครับซึ่งก็จะมีะการทําแถวแถวภาคตะวันออก นะแถวชนบุรีระยองอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็จะส่งเสริมให้บริษัทนะทางด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ดิจิตอลขนาดใหญ่มาลงทุนนะในเขตอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็เห็นมีหลายๆบริษัทที่ก็สนใจก็ดีครับเรา ต, ต้องทำขึ้นมาแต่เราก็จะต้องทำให้ดีกว่าคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์ซึ่งเขาไปไกลแล้วนะครับประเทศทั้งสองประเทศในอาเซียนนี่ เกี่ยวกับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องนิคมอุตสาหกรรมดิจิตอลนี่นะครับซึ่งเราเราก็จะต้อง เ, งเร่งนะครับเพื่อใ ห, ให้ให้ทันเขานะให้ทันประเทศเหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะว่าต่อไปนี้คงจะต้องถ้าพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยมีบริษัทษมาลงทุนมากๆานี่ก็จะทําให้เศรษฐกิจอาจจะฟื้นนะครับนะดีขึ้นได้นะครเต้องเอาเอาใจช่วยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของ ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่เนี่ยรัฐต้องเร่งนะครับเนีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแหล่งน้ําการบริหารน้ําให้เพียงพอเพราะว่าก็มีแนวโน้มว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในแถวภาคอีสานนี่ก็จะประสบปัญหาภัยแล้งนะครับขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะน้ําทางด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคคงจะต้องมาเร่งแก้ไขประเด็นตรงนี้กันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นหน้าแล้งนี้ไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของ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 อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอเดินมาเดินไปไม่เคยหันเหไปไหนอยู่ตรงกลางวางใจไปไหนก็มีเธออยู่อยู่ตรงนั้นมานานอยู่ในความรู้สึก สั่งนึกในใจว่ารักยามเช้าสดชื่นเสมอจะมีเธอตื่นครมพร้อมเช้าไปสู่กับงานยียกทางชั่วครั้งชั่วครา บอกดินร้นมือสาวเท้าว่างเร่รองชีวิตแต่เธอไปไม่ลาไม่มีเธอกลับมาไม่มีแม่เสียนึกถึงเธอบอกกับฉันมีแต่ความตายเท่านั้น ที่จะพาเราไปจากกันได้ วันนี้ฉันไม่มีเธอไม่อยากเหลือใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร